เจริญพรญาติโยมที่มาจากสุราษฎร์ธานีญาติโยมที่มาจากกรุงเทพหลุดสาเสียค่าเครื่องเป็นราคาแพงฉะนั้นเมื่อมากฟังแล้วต้องปฏิบัติให้หลุดค่าเครื่อง ในวันนี้ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวโยงกันบางเรื่องก็ที่เรายังไม่เข้าใจหรือว่าเรามองข้ามไปเช่นว่าเรื่องของอริยรมรรตมีองแปดเรามักจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ ตามที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาของเรานี่มีพระรูปหนึน่งไปทูลถามว่าพระพุทธเจ้าว่าต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระอรหันยังมีเอกหรือไม่ พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าในศาสนาไหนก็ตามถ้ายังมีอริยมรรคมีองแปดเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาจังกัปปะสัมมาวาจา j a สัมมากรมมันโตสัมมาชีโวสัมมาจิตสัมมาส ม, มาธิเมื่อยังมีอริยมรรคมีองแปด แล้วก็ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ดนั้นสมณะที่หนึ่งก็จะมีสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ก็ไปจะมีโดยไม่ขาดศูนย์ไปสมณะที่หนึ่งก็คือพระโสดาบัน สมนาที่สองก็คือพระสกิทาคามีสมณัที่สามก็คือพระอนาคามีสมณัที่สี่ก็คือพระอระหันต์ฉะนั้นพระองค์เลยตรัสว่าเมื่อยังมีอริยมรรคในองค์แปดยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ จะไม่ขาดจากพระอระหันต์ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องมีความหนักแน่นในการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดอ ร, ริยมรรคมีองค์แปดข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งคื อ, อ, อ, อ, อ, อ, อสัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่ง สัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้องเห็นประการที่หนึง่งคือเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วค่อยแจงกันทีหลังเห็นขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน ขันห้าที่โยู่กลางๆปฏิจจจสมุปปาบาทเห็นประการที่สามก็คือเห็นปฏิจจจสมุปปาบาทปฏิจจสมุปปาบาทเราจะต้องอ่านจะต้องปฏิบัติแล้วก็จะต้องฟังให้เข้าใจปฏิ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 อวิชชาก็คือตัวกูนั่นแหละเมื่อตัวกูมีอวิชชาเกิดแล้วในตอนนั้นเมื่ออวิชชามีคือจิตงโงนะ่อวิชชาคือจิตงโง่ถ้าจากนั้นหลวงพ่อจึงบอกบ่อยๆว่าให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูให้ไม่ใช่กูนี่คือมันว่างว่างจากกู คือว่างจากตัวกูที่นี้เมื่อเราภาวนาว่าไม่ใจกูไม่ใจกูเดินไม่ใ่กูนั่งไม่ใช่กูนอนไม่ใจกูกินไม่ใจกูอาบไม่ใช่กูถ่ายไม่ใ่กูคิดไม่ใ่กูทำไม่ใจกูพูดไม่ใจกูทุกอย่างไม่ใช่กูถ้าไม่ใช่กูอวิชาตัวนั้นตัวโง่นั้นมันก็จะดับ ดับเพราะอะไรดับเพราะว่าเราปฏิบัติตามอริยมรรคไมองแปดเมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคไมองแปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปโปความดำรีอันถูกต้องดำรีในการออกจากกามดำริในการไม่มุ่งร้าย ทำดีในการไม่เบียดเบี้ยนนี่คือปัญญาสองข้อนี้เป็นปัญญาอย่างยิ่งที่นี้การเห็นข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องความเห็นนี้เป็นญาณมากกว่าเห็นด้วยญาณ เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยยาเห็นด้วยปัญญาเมื่อเราปฏิบัติให้ครบทั้งแปดองค์สรรมาวาจาสรมากัมมันตาธรรมาชีวะอันนั้นเป็นศีลสรรมาวายามะความภาเพี่ยรอันถูกต้องหนึ่งเพียรในการระวังสองเพียรในการละ ระวังอะไรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ข้าวไปยินดีไม่ให้ข้าวไปยินร้ายแต่ว่ามันเผรอพอเผลอะมันก็เกิดยินดีขึ้นมาบ้างเกิดยินร้ายขึ้นมาบ้างก็ต้องเพียนดิเพียรในการละหนึ่งเพียรในการระวัง เปลี่ยนในการละละสิ่งที่เราเผลอนั่นไล่มันออกไปสเปลี่ยนในการสร้างสร้างอะไรสร้างกุศลอะไรคือกุศลกุศลก็คือไม่ใช่กูน่เนเองมันเป็นกุศลมันเป็นปัญญา ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กูสร้างกุศล ส, สเพียรในการสร้างสเพียรในการรักษาในการเดินก็สร้างในการนั่งก็สร้างในการนอนก็สร้างทําอะไรก็สร้างไม่ใช่กูอยู่เรื่อยนั่นคือว่างว่างจากตัวกู้ หรือว่าเราจะว่าว่างก็ได้ว่างว่างว่างว่างว่างว่างก็คือว่างจากอวิชชานั่นแหละว่างจากอวิชชาก็คือว่างจากตัวกูนั่นแหละว่างจากตัวกูก็คือว่างจากจิตโง่นั่นแหละเน่เราก็ว่างว่างว่างว่างสัมมาวายามะมีความเพียรในการระวัง มีความเปียนในการละมีความเปียนในการสร้างมีความเปียนในการรักษาสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคือจิตตัวนั้นเพียนในการรักษาไวา้ทีนี้ต่อไปสัมมาสติมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่ให้เกิดอาภิชาโทมนัต <c oughs> อาภิชาโทมนัตก็คือความเข้าไปพอใจละความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกจะได้ก็คือละข้อที่หนึ่งในเรื่องของกายกนละความพอใจและความไม่พอใจ ข้อที่สองในเรื่องของเวทนาละความพอใจและความไม่พอใจข้อที่สามในเรื่องของจิตละความพอใจความไม่พอใจข้อที่สี่ธรรมะละความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นสิ่งที่เราต้องละแต่นั้นการที่เราเห็นเราเห็นทำไมเห็นเพื่อที่จะละ มีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและเราเห็นว่าไม่ใช่เลยวิ่งออกมาเป็นของกูทําไว้ละมันไปเสียมีสติเห็นเวทนาในเวทนานะว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขาต้องการที่จะให้เราละดังนั้นเราต้องละเวทนาจิตนี้ไม่ใช่กู ที่ให้ภาวนาว่าจิตไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ชกูก็เหลือสามตัวว่าไม่ใช่กูแต่ถ้าให้เต็มเต็มตามบรรทัดจิตไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กูก็คือถอนจิตออกจากอวิชชาก็คือจิตที่ว่างจากตัวกูก็มาเป็นจิตที่ไม่ใช่กู ทข้อที่สี่ทำทั้งหลายที่เราปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็เอามายึดมั่นถือมัน่นทำทั้งหลายก็เหมือนกับเรือแพนั่นแหละเราใช้สำหรับข้ามฟากข้ามทะเลพอข้ามไปสู่กว่างน้นแล้วเราก็ไม่ยกเรือขึ้นไปแบกอีก ไม่เอาภายขึ้นไปแบกอีกแล้วก็ทิ้งเหลือไว้ที่นั้นอยู่คนละฝั่งกันแล้วฉะนั้นธรรมะมีไว้สำหรับปฏิบัติปฏิบัติเพื่อข้ามฝั่งจากฝั่งโลกิยะไปสู่ฝั่งโลกุตระคือไปสู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้น โลกุตระก็คือพระนิพพานพระนิพพานก็คือความสงบเย็นวางโน้นสงบเย็นสงบเย็นทีนี้สัมมาสติก็คือสติปัฏฐานสสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ฌานองฌานองค์ฌานอย่างน้อยก็เป็นวิตกวิจารณ์ เป็นวิตกวิจารถ้ามันเกิดเหลือไปเป็นปีติเป็นสุขก็ได้เป็นเอกากัตาก็ได้แต่ถ้ามันไม่เหลือไปก็อยู่แค่วิตกวิจารก็ได้วิตกวิจารนี่แปลว่าตรึกตรองตรึกตรองพอเรานั่งภาวนาไม่ใจกู้ไม่ใจกู้ไม่ใจกู้ไม่ใ่กู้เป็นสมาธิเลยเราก็ตรึกตรอง ตรึกตรองไปเรามีปัญหาอะไรที่จะเอามาแก่แล้วก็เอาปัญหานะั้นนมาตรึกตรองทนี้อริยมรรคมีองค์แปมีว้สําหรับที่จะให้เราปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดจกักกุลงุตปาทิจักสู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ ทีนี่ใครก็ได้ถ้าปฏิบัติตามอริยมรกมองแปดจะเป็นอย่างนั้นจากขงอุตปาทิจักสูเกิดขึ้นแล้วแก่เราจากสูก็คือปัญญาภายในปัญญาภายในของเรานี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันปิดอยู่เป็นปัญญาที่ปิดอยู่ไม่สามารถที่จะลืมตาได้ หมายถึงดวงตาปัญญาอุตตาอุทปาธินี่แปลว่าเกิดขึ้นจากขงอุทปาธิจากสู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุทปาธิคิดดยเมื่อก่อนเราปิดตาเราเห็นอะไรอ่ะมันก็เห็นมืดมืดอะไรก็มืดหมดเป็นมืดหมด เพื่อเห็นด้วยอํานาจของอวิชชาพระตามันปิดเห็นมืดมืดเห็นตัวเองก็เห็นมืดมืดเห็นตัวเองไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาเห็นตัวเองว่าเป็นตัวกู้เห็นจิตเองว่าเป็นตัวกู้นั่นมันเห็นด้วยตาโง่โง่ภายนอก แต่ถ้าจาับปุงอุตปาธิเห็นด้วยปัญญาเห็นตัวเองว่าเอานี่มันไม่ใช่กูนี่มันไม่ใช่กูเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตายึดมัน่นถือมั่นมันไม่ได้นี่เรียกว่าจากักปุงอุตปาธิพอเกิดญาหนังอุตปาธิขึ้นมาญาหนังคือตัวรู้ ตัวรู้ีเรียกว่ายานยานญานะยานะานะถ้าเป็นวัยกรวิญญาธาตุในความรู้ยานะนี่เปรว่ารู้นั่นคือยานยานางังอุตปาธิยานเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ลองคิดดูเราปิดตาไม่เห็นอะไรเห็นมื ด, มด เอนมืดๆก็เหมือนกับว่าตาบอดไปครำช้างอย่างนั้นตาบอดไปครำช้างไปกันหลายคนเสร็จแล้วก็มารายงานว่าช้างมีลักษณะเหมือนเสาเรือนนั่นไปครำที่ขาช้างช้างมีลักษณะเหมือนกระดง ไปครำโดนกับหูช้างช้างมีลักษณะเหมือนไม้กวาดไปโดนกับหางช้างนั่นเนี่ยคือก็เรียกว่าตาบอดครำช้างนี่เราทุกคนก็ตาบอดกันมาแล้วทางนั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติตามอริยมรมีองแปดตาเราก็ค่อยๆลืมขึ้นลืมขึ้น พอลืมขึ้นก็เกิดญาณขึ้นมาคือเห็นญาณอุตตาธิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณคือตัวรู้เปิดตาแล้วมันก็รู้แต่มันก็เห็นแค่ว่ามันเห็นแต่มันก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นจิตก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนเป็นฉุญญตา เห็นร่างกายก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแค่ก็เป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนนี่นี่คือเห็นด้วยปัญญาอยากขงอุตปาทิยาังอุตปาทิเสร็จแล้วก็เกิดความแตกฉานขึ้นมา เกิดปัญญาตาปาทิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญารู้เรื่องต่างๆตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงเห็นเกิดเห็นดับเห็นว่างเห็นเกิดเห็นดับเห็นว่างเห็นเกิดเห็นดับเห็นว่าคือว่างจากตัวตนเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตนปัญญาตาปาทิ ทีนี้มันยิ่งเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นมาจนเป็นวิชาอุตตปาทิวิชาเกิดขึ้นแล้วแกเราวิชาเริ่มที่จะเต็มรูปแบบแล้ววิชาอุตตปาทิเกิดวิชาขึ้นมาทีนี้มันก็ตรงกันข้ามไอ้ที่เราข้าวไปยึดมั่นถือมั่นว่าจิตเป็นตัวกู้ และเราก็พยายามที่จะสร้างวิชาภาวนาว่าจิตไม่ใ่กู้ให้จิตไม่ใช่กูนี่แหละคือเราสร้างวิชาสร้างวิชาให้มันเกิดขึ้นวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยสร้างให้วิชามันเกิดขึ้นอันคือเรียก ว, ว่าวิชาอุตาปาธิวิชามันมีพลังขึ้นมาแล้วตอนนี้ กวิชามีพลังขึ้นแสงสว่างแห่งวิชาแห่งปัญญานั้นก็แผ่ไปที่จิตแผ่ไปที่กายแผ่ไปที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแผ่ไปจนทั่วจั ก, กรวาลเห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นทุกอย่างไม่มีตัวตน เราก็เรียกว่าว่างจากตัวตนทีนี้เมื่อเกิดจากขงอุตาปาธิญานางอุตาปาธิปัญญาอุตาปาธิวิชาอุตาปาธิอาโลโกอุตาปาธิเกิดแสงสว่างเห็นอะไรตามที่เป็นจริงหมดแล้วปัญญาทั้งเป็นผู้เห็นและทั้งเป็นผู้ที่ สองแสงสว่างออกมาด้วยทีนี้เมื่อปัญญาหรือวิชาเป็นแสงสว่างอาวิชานะ่ะมันมืดมันบอดอาวิชามันมืดบอดพอเราปฏิบัติตามเรียมักมีองแปดเกิดเห็นหรือว่าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา พอเกิดสิ่ง่าวนี้ขึ้นมาเราก็จะเห็นหรือเข้าใจอริยสัจสี่เห็นไหมในข้อแรกอ่ะข้อแรกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องก็คือเห็นอริยสัจสี่อันี้การเห็นอริยสัจสี่เราทุกคนก็จำได้อริยสัจสี่ ทุกเหตุใดเกิดทุกคือสมุทยัยความดับทุกอนทางให้ถึงความดับทุกขทุกสมุทยัยนิโรธอริยมรรคนั่นตามภาษาอานี่ทุกคืออะไรทุกก็คือเอาจิตมาเป็นตัวกูนั่นแหละนั่นคืออวิชชา อวิชจานั่นแหละเป็นตัวทุกข์อวิชชาเป็นตัวทุกข์เพราะเอาจิตมาเป็นตัวกูเหตุเกิดของอวิชชาคืออะไรก็เพ ร, เพราะมันโง่นั่นแหละอวิชชาคือตัวโง่โง่เพราะมันไม่รู้อะไรเพราะมันไม่รู้อริยศาสตร์ไม่รู้อริยศาสตร์กไม่รู้เรื่องเกิดไม่รู้เรื่องดับไม่รู้อะไรทางนั้น เขาจึงเปรียบเป็นภาพปริศนาไว้ว่าอวิชชาเปรียบเหมือนคนตาบอดไม่บอดแต่ตาหูก็นวกทั้งตาบอดทั้งหูนวกอวิชชาเนี่ยนี้ที่เราปฏิบัติตามธรรมะมักมีองค์แปดก็เพื่อที่จะเอามาดับตัวอวิชชาที่ดับอวิชชา ปฏิบัติตามอริยมรรคไม่มองแปดแล้วจะต้องเห็นอริยสัจสี่จะเห็นกับตาได้ยังไงเห็นกับความจําได้ยังไงมันไม่ได้อริยสัจสีก็ทุกขสมุทยัยโรธมักทุกก็คือการเอาจิตมาเป็นตัวกูเหตุได้เกิดทุกขเพราะจิตตัวนั้นมันไม่รู้จักอริยสัจ นั่นคือเหตุฉันั้นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็คือสมมูทัยสัมมูทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้ความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คือนิโรธนิโรธนิโรธเปรี๊วดับดับทุกข์นี่ข้อที่สก็คืออริยมรรคเมลงแปดนั่นแหละนั่นคือก้อที่สี่ผลทางแห่งความดับทุกข์ ก็ต้องเดินทางอริยมรรคเมองแปดทีนี้พระอัจฉริตอนที่ระษาลีบ ท, ท่านยังไม่ได้บวชตอนนั้นก็ mm. ไปเจอกับพระอัจฉริตอนนั้นก็อยู่กับอาจารย์แล้วอาจารย์ใหญ่แล้วแต่ว่าก็ยังมุ่งหาอยู่ ยังไม่พอใจพอม่ถึงเห็นพระรชชอัจฉิก็เห็นว่าพระองค์นี้ดูท่าทางหน้าศรัทธาเลื่อมใสใครเป็นศาสดาของท่านก็ไม่รู้ก็เลยติดตามพระอัจฉิไปตอนที่ท่านเนินบินตบาท เปนตาบาเดเสร็จแล้วท่านก็คงจะไปฉันริมหนองน้ำหรือที่ตรงไหนที่เหมาะสมจากแห่งหนึ่งสารีบุตรตอนนั้นยังไม่บวชท่านก็ตามไปแล้วก็ไปนั่งคุยไปถามตอนแรกถามแค่ว่าราษจี บ, บอกว่าโยมตอนนี้ ไม่เหมาะสมในการที่จะพูดก็เลยเมื่อท่านฉันพัฒตาเสร็จแล้วก็เลยคุยกันได้ท่านก็เลยกล่าวว่าเยธรรมาเหตุปปะวาเตสังเหตุตุฆาคโตเตสัญจโยนิโรโทจ่าเอวังวตีมาสมโนคือสาริบุตรถามท่านว่า ใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนเรื่องอะไรพระอัศจิคือองค์สุดท้ายของพระปัญจวคีนั่นก็เลยยกสุภาษิตนี้ขึ้นม า, ายะธรรมาเหตุปะปะวาเตสังเหตุตุตถาคโต เดสันจโยนิโรโทจะเอวังวาติมหสมมโนทำเหล่าใดมีเหตุเป็นเดนเกิดทำเหล่าใดนี่เราอย่าไปคิดว่าเป็นธรรมที่เป็นกุศลท้งนั้นนะที่เป็นกุศลก็ตามไม่เป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามเรียกว่าธรรมทางนั้นสัพเพธรมมาสิ่งทั้งปวงธรรมทางนั้นเรียกว่าธรรมทางนั้น นี่ที่ท่านบอกว่าเยธรรมมาเหตุปปภาวแต่สังเหตุตุนตถาคโตเตสัญชาโยนิโรโทจัเอวังวาตีมหาสมโนทำราวดอยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตาถาคตตรสเหตแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นนี่ ท่านพูดย่อๆ อ, อ, อย่างนี้แล้วท่านก็ออกตัวว่าอาตมาเพิ่งบวชมาได้ไม่นานเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะพูดให้ยาวกว่านี้ได้แต่ว่านั้นมันก็กินเนื้อความทั้งหมดแล้วทำเหลา่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือสมุทัยนั่นแหละสมุทัยนั่นแหละเหตุเป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิดของอะไร เป็นแดนเกิดของทุกขก็คืออวิชชาเพราะสมุทัยนะ่โลภะโทสะโมหะมันก็เกิดมาจากสมุทัยมันเกิดมาจากเหตุแล้วก็ป้อนราคะโทสะโมหะให้อวิชชาเป็นคนส่งอาหารเรียกว่าส่งสบียงนั่นน่ะคือเหตุคือเหตุเรือเ ห, เหมือนกับว่า ตะเกียงน้ำมันตะเกียงน้ำมันนี่อวิชาเป็นตะเกียงแล้วก็มีไายแล้วก็มีน้ำมันแต่ว่าสมุทัยต้องเอาน้ำมันส่งให้ส่งให้ส่งให้พอจะหมดก็เติมก็ไปพอจะหมดก็เติมก็ไป คือราคะโลภโสดาโมหะเป็นอาหารของอวิชชาทีนี้การตัดอวิชชาก็ต้องตัดสี่สมุทัยอวิชชาเน่เป็นผลเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุทุกข์อวิชชาคือตัวทุกข์ ตัวทุกเป็นผลตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกนิโรธเป็นผลอริยมรรคเมองแปดเมื่อปฏิบัติแล้วนั่นอริยมรรคเมองแปดนั่นเป็นเหตุเป็นเหตุเพราะฉะนั้นผลเหตุผลเหตุผลเหตุผลเหตุไนี้เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปด ได้จากขงอุตตปัติมาแล้วปัญญาอุตตปาติยาณอุตตปัติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกตปาติก็เาอามาดับตัวเหตุให้เกิดทุกนั่นแหละคือเราได้นิโรธมาครบแล้วได้ได้ได้มาหมดแล้วได้ปัญญามาครบแล้วก็ามาดับตัวเหตุ ให้เกิดทุก ค, คือตัวชมูทัยเพราะดับที่ตัวชมูทัยเป็นการตัดสเสบียงของอวิชชาอาวิชชาก็ดับพออวิชชาดับก็คือความมืดความมืดความบอดมันดับอะไรมันจะเกิดขึ้นทีนี้เพราะความมืดมันดับไปแสงสว่างมันก็เกิดขึ้น คือนิโรธนั่นคือนิโรธนั่นนิโรธนี่เปรียบด้วยแสงสว่างพองวิชาดับแสงสว่างก็เกิดขึ้นมาทันทีก็เกิดขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าพระองค์ยังตรัสว่าเราจะต้องเห็นเรียกว่าปริวัติสามอาการสิสอง จึงจะรับรองตัวเองว่าบรรลุแล้วปริวัติสามก็คือทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วฉะนั้นเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งหนีความทุกข์ เอาความทุกนั้นมาวิจัยว่ามันมาจากไหนความทุกเนี่ยเหตุมันมาจากไหนวิจัยที่เหตุมันทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกํารู้ก็คือต้องศึกษาทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วสเหตุได้เกิดทุกก็คือสมุทัย เหตุได้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละเหตุได้เกิดทุกข์เราละได้แล้วนั่นข้อที่สองที น, นี้ข้อที่สามนิโรดนิโรดเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรดเป็นสิ่งที่เราควรทาให้แจ้งก็คือตัวปัญญานั่นแ นิโรธเราทำให้แจ้งได้แล้วสามีทีนี้พอไปตัวที่สี่อริยมรรคมีองค์8ปดสัมมาทิฏฐิสัมมาฉังกับโพสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายามโมสัมมาจติสัมมาธรรมทิเป็นอย่างนี้อย่างนี้ อริยมรรคมีองแปดเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้เกิดมีอริยมรรคมีองแปดเราปฏิบัติให้เกิดมีได้แล้วนี่เห็นไหมอย่างละสามอย่างละสามอย่างละสามเรเรียกว่าปริวัติส2องก็คือรวมกันแล้วได้ส2บสอง นั้นเนี่ยพระองค์จึงปฏิญญาว่าได้จัตรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่นคือเกิดปรุงขึ้นมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจากว่าใจสิตธธ ถ, ถาก็หายไปไอตัวกูนั้นมันก็หายไปพอตัวกูหายไปนั่นแหละก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อก่อนไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไร พระองค์เที่ยวค้นคว้าอยู่พระองค์จึงตรัสว่าการมะสุขันลิการุโยกการหมกมุ่นในเรื่องของกามก็ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ได้มีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพระองค์ก็เลยปฏิบัติแบบนักบวชในสมัยนั้น เรียกว่าอัตจกิลมัฐานุโยกการอดอาหารก็มีหลายหลายอย่างแต่ว่าพระองค์ก็เลือกเอาในการอดอาหารก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เพราะมันเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ได้พระองค์ก็เลยพิจารณาว่าไอ้สองอย่างนี้มันไม่ใช่ทางแล้วไม่ใช่ทางแล้ว พระองค์ก็ดําลิขึ้นมาว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านเดินทางไหนท่านเดินทางไหนท่านก็เลยวิจัยไปวิจัยไปวิจัยไปท่านก็เลยแสดงในพระไตรปิฎกเอาไว้ว่าเหมือนกับว่ามีทางทางหนึ่ง ทางนั้นเมื่อเดินไปเดินไปเดินไปก็ไปถึงเมืองใหญ่เมืองหนึ่งแต่ว่ามันถูกปกคลุมด้วยต้นไม้บ้างด้วยอะไรบ้างใจเป็นเมืองที่เคยเจริญมาก่อน ทีนี้เป็นยังไงคนก็ก็ไปทูลแก่พระราชาว่าทางนี้เป็นทางไปเมืองเมืองหนึ่งแต้เมืองนั้นเคยใหญ่โตมาโหรานแต่เสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเมืองล้างไปพอเป็นเมืองล้างพระราชาองค์นั้นก็เลยไปปรับปรุงให้เจริญขึ้นเจริญขึ้น จนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหมือนกันอริยมรตมีองแปดนี่แหละพระองค์เห็นว่านั่นคือทางเดินทางเดินของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระองค์ก็เลยตัดสินใจเดินทางอริยมรตมีองแปด ก็คือเอาเรียมักไมอมแปดนั้นมาปฏิบัติแล้วก็เกิดจกักขาางอุตาปาธิญาณุตปาธิปัญญาตาปาธิวิชาตาปาธิอาโรโกตาปาธิอยู่ไม่ได้อาวิชาอยู่ไม่ได้เพราะถูกตัดสเสบียงอาวิชาก็ดับไปเมื่อก่อนอวิชามันเกิดเกิดไม่หยุด มันของเรานั่นแหละอวิชชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดจนไปเป็นทุกทุกทีเกิดทางตาก็เป็นทุกข์เกิดทางหูก็เป็นทุกข์เกิดทางจมูกก็เป็นทุกข์เกิดทางไหนก็ยึดมั่นถือมั่นหมดเพราะอะไร เพราะจิตตัวนั้นมันโง่เกิดจิตอวิชานะมันเป็นจิตงโง่เพราะมันเป็นจิตงโง่ก็เกิดทุกทีมันก็ทุกทุกทีตามหลักสูตรของปฏิจจสมุปบาทกไายเกิดนั่นแหละทีนี้พอพระองค์รู้อริยสัจพอพระองค์ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว เกิดไม่ได้เพราะว่าวิจานี้แหละจะไปดับอวิชชาปกติเราก็ว่ากูอยู่เรื่อยอะไรก็กูอะไรก็ของกูมีแต่กูของกูกูของกูกูของ ก, ของกูขันเป็นนกเขาอย่างนั้นอยู่เรื่อยทีนี้พอเรามาภาวนาว่าความรู้สึก หรือว่าจิตไม่ใช่กูพอจิตไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่รู้สึกว่าจะเป็นปีที่สองที่สามแล้วไปพูดที่ธรรมศาสตร์ไม่รู้ใครจะแก้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบแต่เขาก็งืองากันในสมัยนั้นในตอนนั้นเขาว่ามาแปลกสอนแปล ควาที่จริงสอนไม่ได้แปลกเลยสอนของทุกคนนั่นแหละที่มีอวิชชาอยู่นั่นแหละพยายามที่จะให้ถอนอวิชชาออกไปแต่ต้องปฏิบัติตามองค์มรดย์ถ้าจะเกิดวิชาก็จะเกิดปัญญาเมือเกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเกิดญาณขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่า ตัวอวิชชานั้นในตายคือตัวอวิชชาดับพอตัวอวิชชาดับไอ้ลูกน้องมันจะอยู่กับใครหัวหน้ามันตายแล้วคืออวิชชามันตายแล้วทีนี่ตัวสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเมื่อก่อนมันกูกูคิดกูทำกูพูด กู้ทางนั้นเลยพร อ, อวิชชาบอกว่ามันไม่ตายแล้ว ห, หัวหน้าตัวนั้นมันตายแล้วมีหัวหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าที่ประกอบด้วยวิชาที่ประกอบด้วยปัญญามีหัวหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ใช่กู้นั่นให้ภาวนาว่าไม่ใช่กู้พอไม่ใช่กู้ แล้ไม่ใ่กูเฉยๆนะี่มันไม่ได้มันต้องปฏิบัติด้วยนี่เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรตมีองป์ปดเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่กูนี่มันจริงๆเลยพอจริงๆขึ้นมาเป็นยังไงทีเนี้อวิชชาดับก็เกิดวิชชาเกิดวิชชาก็คือสติปัญญาเกิดญาณเกิดอะไรขึ้นมานี่ ตัวสังขารเป็นยังไงทีนี้แล้วใครจะไปควบคุมสังขารน่ะไม่มีกูก็คือตัวสติปัญญานั่นแหละไปคุมไปคุมก็ตัวสติปัญญาไอตัวไม่ใช่กูนั่นแหละคือตัวสติปัญญาทีนี้อัตมาเคยบอกว่าดับว่างสงบเย็นสี่คำ ดับว่างสงบเย็นไอ้คำว่าดับก็คืออวิชชาดับนั่นแหละอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับปัญจนาดับปัจจาดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับพบดับชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานัชฌาอุปาญาตดับดับนั่นคือดับยันนี้คําที่สองก็คือว่าง อะไรว่างก็คือจิตที่ว่างจากตัวโง่นั่นแหละที่เมื่อก่อนไปเอาจิตมาเป็นตัวกูพีไ่ได้โง่โง่โง่โง่คิดโง่พูดโง่ทําโง่แต่ว่าไอ้ตัวโง่นั้นมันมันว่างจากตัวโง่เพราะตัวโง่นั้นมันดับไปพอดับไปมันก็ว่างจากตัวโง่ คือว่างจากราคะโทสะโมหะมันว่างดับแล้วก็ว่างว่างจากอวิชชาว่างจากฉั้งการว่างจากวิญญาณว่างจากนามรูปว่างจากอายตนะปัจจักไม่เอามาเป็นตัวกูหมดแต่เมื่อก่อนเอามาเป็นตัวกูหมดนี่เรื่องของมันมันจริงเราจะต้อง วิ่งก้าวหาการปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่ไหวแล้วไอ้ตัวกูนี่ขี่หัวขี่คอเราทุกวันเลยอย่าไปอวดดีไปเลยต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็ขี่หัวขี่คอทางนั้นมีเงินจากพันล้านจากหมื่นล้านมันก็ขี่หัวขี่คอไม่หยุดไม่หย่อน ตัวอวิชามันไม่เลือกหรอกมันไม่เลือกใครต่างนั้นแต่ถ้าคนที่มีปัญญาที่ปฏิบัติตามอริยามร์ไมีองแปลจนเกิดเห็นอริยสัจสีขึ้นมาเนี่ยไจก็ทําให้อวิชชาดับอวิชามันกลัวทีนี้นี่อย่างเราบางคนที่ปฏิบัติอวิชาก็บางทีมันเปิดก้นมังอะไรมั่ง พอเราได้ว่าเออนี่อาวิชชานี่เปิดตูดไปแล้วพอเรารู้ทันมันมันไปแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็ขีคอเราทันทีเลยเช่นพอเราคิดมีตัวกูขึ้นมาเอาแล้วมันก็เอาแล้วอาวิชชาเกิดแล้วอย่างนั้นแค่นั้นเมื่ออาวิชชาดับสังขารดับ ก็คือวิจชานั่นแหละสติปัญญานั่นหละมาควบคุมมาควบคุมสังขานกจนี่ตัววิญญาณตัววิญญาณคือตัวรู้คือตัวรู้ถ้อาอวิจชานี่คือตัวรู้สึกนี่ตัวรู้สึกนี่ไม่ใช่เป็นวิจชาและก็ไม่ใช่เป็นอวิจชาตัวรู้สึกนี่คือตัวจิต ตัวจิตที่ยังเป็นประปัตสรอยู่คือจิตที่สะอาดอยู่ตอนนั้นเหมือนกับผ้าขาวนะ่ะเหมือนกับจิตที่เป็นผ้าขาวนั่นแหละ ย, ยังไม่ถูกสีอามาย้อมทีนี้จิตตัวนั้นถ้าเอาสีดํามาย้อมมันก็เลยเป็นอวิชชาเป็นจิตอวิชชา ทีนี้เราก็ต้องการให้ถึงจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือจิตวิชาแต่ว่าจิตประพัสดุ์มันยังอ่อนอยู่จิตที่เรืองแสงแสงยังไม่จ้าเรียว่ายังไม่มีอรโรโ ป, ร ต, ปาาตาปาธิวิชาอุตาปาธิ อาโลโกตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราทีนี้เมื่อวิชาเข้มแข็งเข้มแข็งก็ค่อยๆไปลบลบสีอาวิ ช, ชานั้ น, นคือสีดำเนี่ยลบออกไปลบออกไปก็เลยทำให้จิตเดิมแท้ตัวนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตวิจาขึ้นมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาสกิตาอนาคาสูงสุดก็เป็นพระอระหรันต์นั่นคือสูงสุดเพราะฉะนั้นคำว่าความรู้สึกมันยังเป็นกลางๆาง่ถ้าความรู้สึกว่ากูอวิจาแล้วความรู้สึกนั่นเป็นตัวกูแล้วจิตนั่นเป็นกูแล้ว นี่ถ้าความรู้สึกว่าไม่ใจกูไม่ใจกูถ้าความรู้สึกว่าไม่ใจกูที่เราปฏิบัติเนี่ว่าไม่ใจกูไม่ใจกูเราก็ว่าอยู่เฉยเฉยมันไม่เห็นถ้าว่าไม่เห็นแลยมันก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมามันต้องเห็นคือภายในมันต้องเห็นเห็นด้วยอะไร ก็เห็นด้วยญาณนั่นแหละเห็นด้วยญาณนัเนี่ยจากกุงอุตปาทิญาณอุตปาทิเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยวิชาเพราะแสงสว่างของวิชานำขยายออกไปแล้วก็ทำให้เห็นให้เห็นนั่นเน่เลยจิตตัวนั้นก็เลยเป็นจิตที่เข้มแข็งด้วยสติปัญญา เมื่อเป็นจิตที่เข้มแข็งด้วยปัญญานี้สามารถที่จะขับไล่ความมืดคืออวิชชาออกไปสังขารนั้นก็เรียกว่าร้ายอาวิชชามีแต่วิชชาควบคุมพูดก็ถูกต้องทำก็ถูกต้องคิดก็ถูกต้องแต่เมื่อก่อนไม่ถูกต้องหมดเลยคิดก็กู ทำก็กูพูดก็กูกูหมดกูหมดนั่นคือสังขารที่นี้พอไปถึงตัววิญญาณตัววิญญาณคือตัวรู้รู้วิญญาณหกวิญญาณหกความรู้สึกหรือว่าความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจนั่นคือประกอบด้วยวิญญาณ นี้ถ้าวิญญาณ น, นั้นรู้ว่าเป็นกูไอตัวรู้นี่เป็นกูปล่อแล้วนั่นหรอถ้าวิญญาณกูก็อวิจารเข้าไปกินแล้วแต่ถ้าวิญญาณ น, นั้น ไ, ญญนไม่ใช่กูวิญญาณไม่ใช่กูการเห็นทางตาก็ไม่ใช่กูการได้ยินทางหูทางจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่กูนี่มันไม่ใช่กูนั่น อย่างนั้นเรียกว่าวันตูุควบคุมด้วยวิชาด้วยวิชาฉะนั้นจำให้ดีว่าถ้าเป็นธาตุของอวิชาหรือว่ามันกำลังต่อสู้กันอยู่ในตอนนี้เราปฏิบัติเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้แพ้กลับชนะชนะกลับแพ้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่ เป็นปัญหาฉันั้นจะต้องฝึกสัมมาสติต้องฝึกสัมมาสติมีสติเห็นกายในกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่นแหละฝึกสัมมาสติแต่ถ้าหากว่ามันอ่อนความเพี้ยนก็ฝึกสัมมาวายามะเข้าไปเพิ่มสัมมาวายามะเข้าไปถ้ามันขาดส ม, มาธิ ก็เพิ่มสัมมาส ม, มาธิเข้าไปไม่ต้องกลัวนั่นคือแรงหนุนแรงหนุนส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะนั่นเรื่องทางกายทางวาจามันก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจกันแล้วโดยส่วนมากทีนี้ไอ้ตัวยากก็คือสัมมาทิฏฐิตัวนั้น กว่าจะเห็นอริยสัจมันต้องใช้ตาภายน่อยเห็นกว่าจะรู้อริยสัจมันต้องใช้ญาณต้องใช้ปัญญาต้องใช้วิชาแล้ววิชาที่มีแสงสว่างด้วยถ้าแสงสว่างไม่พอมันก็เห็นลางๆเหมือนกับคนตาบอดแต่ว่าบอดไม่หมดยังพอเห็น รางๆอยู่บ้างมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นต้องให้เข้มแข็งเอาไว้ให้เข้มแข็งเอาไว้การปฏิบัติอริยมรรคให้เข้มแข็งเอาไว้ถ้าอริยมรรคเข้มแข็งก็งจะเกิดจักขุนอุตาปาทิญาณอุตาปาทิปัญญาอุตาปาทิวิชชาวุตาปาทิอาโรโกตปาทิสมอย่างที่เราควรจะรู้ หนึ่งอริยมรรคไม่มง์แปดรู้ในการปฏิบัติเข้าใจพยายามทำความเข้าใจหรือว่าสวดบ่อยๆอ่านบ่อยๆไม่จำไม่เป็นไรแต่ให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วออก็อมาปฏิบัติทีนี้ มาวิจัยดูว่ามันตอนนี้มันอ่อนข้อไหนมันอ่อนข้อไหนอยู่ตอนนี้ก็ เ, เอาบริวาร น, นั่นแหละไปเสริมเอาไปเสริมทีนี้สรรมมาสังกับโปธรรมมาสังกับปามีความดำริในการไม่มุ่งร้ายมีความดำริในการไม่เบียดเบียนมีความดำริ มีความดำริขอใคยมีความดำริในการออกจากกามมีความดำริในการไม่มุ่งร้ายมีความดำริในการไม่เบียดเบียนก็ดูดิทุกอย่างมันมาจากกามทางนั้นแหละที่เบียดเบียนกันมุ่งร้ายกันอะไรกันมันมาจากากามทางนั้นแม้แต่เรื่องที่ ผูเขาพังนี่ทำให้น้ำท่วมนั่นก็มาจากกามเหมือนกันเน่ถ้าไม่อยากได้เงินแล้วจะไปตัดไม้ทำไมรู้ไหมว่าไม้น่ะไม้น่ะมันมีราบที่ยาวออกไปก็บอกว่ามันกิ่งก้านสาขามัน ไปออกไปแค่ไหนยรากมันก็ไปแค่นั้นแหละมันก็ไปแค่นั้นนีต้นไม้ในป่ามันจะประสานกันรากเนี่ยมันจะประสานกันว่ามันประสานกันก็ทําให้ขนตกเนี่ยมันก็สามารถที่จะกักกันเอาไว้ได้มันซึมมันดูดเข้าไปในรากของมันในลําต้นของมันไอที่เหลือ มันก็ค่อย ๆ, ๆย้อยลงมาย้อยลงมาย้อยลงมาบนภูเขาใหญ่ในป่าใหญ่อะไรที่ตรงไหนเนี่ยมันย้อยลงมาย้อยลงมาแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงถ้าเป็นหินมันมารวมตัวกันพอน้ํานั้นมันมารวมตัวกันเราลองไปฟังดูเถอถ้าขึ้นไปบนน้ําตกแล้วก็ตามขึ้นไปตามขึ้นไปตามขึ้นไ ป, มน ไ, ปไม่มีน้ํำแล้ว แต่ว่าพอเราเอาหูนี่ไปแนบกับพื้นดินหรือกับก้อนหินนี่เราจะได้ยินเลยเสียงน้ำมันไหลใต้ดินน่ะน้ำมันไหลทีนี้พอเราไปทำลายทำนกเป็นยังไงทีนี้ต้นไม้นั่นคือทำนกเสร็จแล้วเราก็ไปทำลายทำนก ก็ไปลายทำลายทำนบของน้ำก็ทำให้ตั้งก้อนหินทำให้ต้นไม้ทำให้ดินไหลทะลักลงมาทีนี้เราไปโทษใครทีนี้ไปโทษดินฟ้าอากาศเออมันตกไม่หยุดมันตกไม่หยุดน่าทำไมมันท่วมถึงขนาดนี้ ก็มันท่วมขนาดนี้แล้วเพราะมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไปทำลายธรรมชาติไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองเอาทีนี้พวกนายทุนอีกพวกนายทุนอีกแผนกหนึ่งมีหน้าที่ในการเจาะภูเขาให้เป็นโพรง จอภูเขาให้เป็นโพรงพูดแร่ภูเขาก็เลยเป็นโพ ร, รงหมดเป็นโพรงหมดพอวนตกน้ําท่วมขึ้นมามันก็รับไม่ได้ทีนี้ก็รับไม่ได้มันก็เลยทะลักลงมาถ้ามันพูดได้มันจะพูดว่านี่แหละที่มึงทํากูนะกูทํำมึงมั่งนี่มันเป็นอย่างนะั้นน่ะเห็นไหม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 ดินฟ้าอากาศอยู่อย่างนั้นเราก็ยังโทษอยู่อย่างนั้นทีนี้ลองดูต่อไปอีกีว่าประเทศนี้ก็โรงวยฟ้านิวเคลียร์ประเทศโ น, น้นก็รงวยฟ้านิวเคลียร์พอเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาพอแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วเป็นยังไงโรงวยฟ้านิวเคลียร์ก็รั่วทุกประเทศ ในโลกนี้มีรงไวายคว้านิวเคลียร์กันกําลังเฮอกันเสร็จแล้วพอมันเกิดอุบัิเหต์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยลามไปทั้งโลกนั่นแหละพอลามไปทั้งโลกอยู่กันยังไงทีเนี้ยตายหมดนะไม่มีใครเหลือมีอยู่บ้างก็ตามเขาตามถ้ำที่นิวเคลียร์ไปไม่ถึงนั่นแหละ ีนี้จะทามาหากินยังไงในดินก็มีแต่นิวเคลีย์มีนิวเคลีย์ทังนั้นปลูกอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นี่ใครเป็นคนทำลายโลกโลกภายนอกก็ถูกทำลายด้วยอำนาจของอวิชชาเหมือนกันอาวิชชาตัวนั้นสัมมาจังกับโปมีความดำริในการออกจากก้าม กามนี่ไม่ใช่กามระหว่างเพศอย่างเดียวกามก็คือวัตถุกามอยากได้อยากรวยอยากรวยอยากมีอยากเด่นอยากดังอยากอะไรกามทางนั้นแหละ ก, มกลามทางนั้นเรื่องราบยศสรรเสริญสุขนี่กามทางนั้นเรื่องของกามทางนั้นเลยไม่ใช่กามเฉพาะเรื่องระหว่างเพศอย่างเดียวนั่นคือ มีความดำริในการออกจากกรรมทีนี้เมื่อดำริในการออกจากกรรมคิดที่จะออกจากกรรมกรรมระหว่างเพศนี่ก็ถูกลงโทษเท่าไหร่แล้วลองคิดดูดิกรรมระหว่างเพศทีนี้ยังกรรมวัตถุอีกกรรมวัตถุเดี๋ยวอยากรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป อะไรก่อนนั้นในนักร้องชื่อดอนหน้าเรืออะไรเมื่อวานศืน่ก็ไปหน้าก็ผ่าตัดแล้วคอก็ตาผ่าตัดแล้วตาเตยจมูกจมมืออะไรก็ผ่าตัดหมดแล้วเป็นร้อยครั้งแล้วไม่เวลาร้องเพลงเอามือไปกอดพวกหนุ่มๆโอ้ยมือมันเหี่ยวเพราะมันแค่ทต่ยังไงะ ไปผ่าตัดมืออีกผ่าตัดมืออีกไม่ต้องตายกันอย่างนี้ไม่ต้องตายเป็นสาวอยู่นั้นแหละนี่คือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดกับจิตเกิดกับจิตแล้วก็ยังไม่พอมันก็เกิดกับร่างกายนี้แหละไม่อยากเห็นมันไปผ่าตัดมันไปผ่าตัดมันผ่าตัด ม, มันเห็นไห ฝืนธรรมชาติเฝินธรรมชาตินี่แกเป็นอะไรทีนี้นี่มันก็เป็นทุกข์ดิมันก็เป็นทุกข์ดิเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่ากามเหมือนกันเนี่ยกามวัตถุกามแล้วก็กิเลสกามวัตถุกาม ก, ก็คือเรื่องของวัตถุต่างๆจันนั้นข้อที่สองสัมมาสังกัปโป มีความดำริในการออกจากกามมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าไม่มีปัญญาเลยก็ออกไม่ได้หลีกออกไม่ได้นี่ว่าหลีกออกไม่ได้ก็เลยจมอยู่นั้นจมทั้งกิเลสกามจมทั้งวัตถุกามจมอยู่นั้นนี่พวกเทวดานะพวกเทวดานะพวกเทวดาก็จมอยู่ในกิเลสกามอยู่นั้น เทวดาที่เป็นสมุติเทพก็ดีเทวดาในชั้นต่างๆในชั้นต่างๆเรามองไม่เห็นเพราะเราอยู่กลมิติกันเทวดานี่จะนิรมิตอะไระเอาเรือนยอดสักหลังหนึ่งอะไรสักหลังหนึ่งจะนิรมิตได้ทั้งนั้นเลยเทวดาชั้นนั้นแต่ว่าพอหมดบุญแล้ว เป็นยังไงทีนี้ถ้าทำชั่วไว้ก็ต้องลงนรกลงนรกทีนี้เราไม่ต้องไปเอาเป็นเทวดาก็ไม่ต้องไปเอาทีนี้เมื่อนรกเราก็ไม่เอาเทวดาเราก็ไม่เอาแต่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราเอาพระนิพพานดีกว่าดัง น, นั้นเราจะเอาพระนิพพาน เราก็ต้องปฏิบัติการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละนั่นะคือทางที่ตรงที่สุดเข้มแข็งที่สุดอะไรที่สุดนี่ทางนี้อยานี้ที่พูดค้างลอยว่าดับว่างสงบเย็นดับว่างสงบเย็นคือ จิตที่ประกอบด้วยอวิชชานั้นพอมีวิชชาขึ้นมาจิตโง่นั้นก็ดับพอจิตโง่นั้นดับมันก็ดับดับดับดับดับหมดดับหมดอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอริยนาปัจจาวินาตัญหาอุปาทานพบญาติรามรณะโสกาปริเทวะทุกตัวมณจะอุปยาตดับ ดับหมดดับไม่เหลือดับหมดทีนี้เราก็จะต้องศึกษาอีกจะต้องศึกษากลึกเข้าไปแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สอนคนอื่นหรืออะไรเราก็เอาเฉพาะดับเฉพาะตัวเองแล้วก็พอดับที่ดับแล้วมันก็ว่างทีนี้ว่างดับแล้วก็ว่างว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาว่างจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละว่าง มีอาจารย์เซนอยู่รูปหนึ่งปลูกกระต๊อบริมภูเขาแล้วก็จะต้องไปปลูกผักไกลหน่อยไปปลูกผักให้วันนั้นมีแขกที่เป็นพระเซนด้วยกันมาขอพัก พระเจ้าของชื่อว่าพระนนนเซนพระนันเซนก็เลยพูดว่าเออนี่ผมจะไปทําสวนผักแล้วคุณก็พักอยู่นี้แหละแล้วก็จัดการหุงอาหารเองแล้วก็ฉันเองแต่ว่าอย่าลืมว่าเว้นไว้ผมหน่อยเมอผมกลับมาจะได้มาฉันอาหารนั้น แล้วก็คุณไม่ต้องเกรงใจให้คิดว่าเหมือนกับบ้านของคุณนั่นแหละที่นี้พระองค์นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอาจารย์นันเซนก็ออกไปตั้งแต่เช้าเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปอะไรไปในการทำสวนผักเพราะว่าญี่ปุ่นนะก็จะต้องจนเจถวนมากพระญี่ปุ่น ทีนี้อาจารย์คนนั้นที่ไม่ได้เอ่ยรูปไม่ได้เอ่ยนาม ก, ก็ทําตามหน้าที่ข้าวครัวหุงอาหารทำอะไรยเสร็จเรียบร้อยฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขนในจมบัดพัดสถานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขนออกไปทิ้งกลางนอกหมดเลยขนออกไปทิ้งหมดเอาไปกองไว้กลางนอกหมด เรือแต่กระต๊บว่างๆทีนี้พระนันเทนก็มามาถึงตอนค่ำแล้วมาถึงดูเ อ, อ๋อหม้อข้าวก็ไม่มีข้าวแล้วก็ไม่มีหม้อไม่มีอะไรต่างนั้นเลยพระองค์นี้ขนไปทิ้งหมดแล้วก็เลยมาถึงก็ข้าวนอนเลยแอบข้าวนอน แอบนอนใกล้ๆกับพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็คงจะทําหลับพอนอนเสร็จแล้วพระองค์นั้นเห็นว่าอาจารย์นั้นเซนหลับแล้วหนี้เลยทีนี้ลุกขึ้นก็ไปเลยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้อะไรกันทางนั้นพอพระอาจารย์นั้นเซนลุกขึ้นมาอ้าวพระองค์นี้หายไปไหนแล้ว ทีนี้ก็คิดคิดดูเออนี่ว่างมันเป็นอย่างนี้เองว่างมันเป็นอย่างนี้เองเหมือนกับว่าเราจ้างสัญญาตาวิหารเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้กวงเราก็มานั่งไม่ได้เราก็มาใช้สถานที่นี้ไม่ได้เนี่ยคือมันต้องว่างหม้อข้าว ก็ต้องทำให้ว่างหม้อแกงก็ต้องทำให้ว่างโอ่งน้ำก็ต้องทำให้ว่างจานข้าวก็ต้องทำให้ว่างต้องว่างทั้งนั้นเลยทุกอย่างคือว่างอะมันถ้าไม่ว่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม่ได้ทาให้ว่างไปทั้งนั้นทีนี้ว่างนี้เป็นว่างวัตถุแต่ว่าว่างวัตถุ เป็นสื่อในการที่จะทําให้เห็นว่างในจิตในจิตของเรานั่นแหละเราจะเห็นจิตว่าจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่นั่นคือจิตว่างก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสน่คือจิตว่างจิตว่างอาตมานี่จะนิมิตบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบอเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังนิมิตอยู่อย่างนั้นนิมิตอยู่อย่างนั้นจะเห็นว่างทางนั้น อย่างพระพุทธบาทจำลองนี่ี่ที่อยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ไม่เห็นพระพุทธบาทจำลองแล้วเรื่องยาวนี่ก็เคยเล่าเ่อจะไปประเทศอินเดียแล้วก็เดินไปพอเดินไปทางทิศตะวันตกเห็นภูเขาสีครามก็คิดว่าพระพุทธเจ้าต้องอยู่ที่ภูเขานั้นเดินไป เดินไปมันก็มีปรุกพอมีปรุกก็ไปเหยียบขี้โครนในปลุนั่นแหละก็ออนิ้วไปโดนขี้โครนก็สองหรือสามนิ้วตรงนั้นก็อบอกตัวเองว่ากลับทื้อไปไม่ได้หันหน้ามาทางทิศตะวันออกเดินรองเท้าไม่มีมีย่ามอยู่ใบเดียวกับท e ี่วอนที่โฮมนั่นแหละ ออกมาทิศตะวันออกเห็นกุฏิหลังหนึ่งหลังคาถอยมีระเบียงแล้วก็มีนอกสาลบันไดขึ้นทางทิศตะวันตกก็มีหม้อน้ําใน่หม้อน้ำหม่มอน้ำาก็มีไม้ประมาณชักศอกหนึ่งก็ควักออก สำหรับที่จะใส่หินรับมีดไม่ให่เวลารับมีดไม่ใม่มันเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ว่าไม่มีไม่มีหินมีแต่น้ำในนั้นอาตมาก็ต้องการที่จะล้างเท้าก็อมองดูในภาชนะไม่มีน้ำว่างว่างอา้าวห้อง2องห้องก็เปิดอยู่ประตูเปิดทางนั้น ไม่มีเจ้าของนั่นน่คือว่างกดตินั้นว่างในภาชนะ น, น, น้ำก็ไม่มีว่างนี่ก็ไอ้ที่ในหินลบมีดอ่ะจะมีน้ำอยู่หน่อยหนึ่งเขาเอามือไปกวักว่าจะเอามันล้างเท้าก็ เ, าเห็นดอกบัวพุดขึ้นมาเลยเห็นพระพุทธบาทอ้ยนี่พระพุทธบาทนี่ อาเลเอาน้ํานี่ยมาตบหัวเลยเมื่อก่อนว่าจะเอาลรางเทา้าเลยเอาตบหัวนั่นแหละคือว่างว่างนั่นแหละคือนิมิตอย่างนั้นเรียกว่านิมิตว่างเห็นว่างเห็นว่างทีนี้แค่คือการไปในประเทศอินเดียนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อเองนี่ก็คิดว่าเอ้ยยังไงอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าจะต้องไปให้ได้ในชีวิตนี้ ไหนๆเราก็เปิดตินยาว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วต้องไปหาพระพุทธเจ้าอย่างน้อยจักหนึ่งครั้งก็มีคนช่วยทีนี้เพราะมันไม่มีเงินเงินมีเท่าไหร่ก็เพราะมาก่อนสร้างหมดมันมีไม่มีงบประจำไปเทศเมื่อก่อนก็ได้มาร้อยหนึ่งรอยหนึ่งเอาไปซื้อจอบ ตาจร ะ, ะเข่เล่มหนึ่งเก้าที้าแล้วหมดแล้ววางทีก็ไปซื้อพระได้สองเล่มเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะก่อสร้างทีนี้พูดได้โยมก็ฟังพอดีโยมคนนั้นเขาอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นคนไทยเขาบอกว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพเอง ก็เลยได้ไปเขาเป็นเจ้าภาพได้ไปในครั้งแรกไปครั้งที่สองก็โยมที่กรุงเทพเขาเป็นเจ้าภาพทีนี้ถ้าเราไปที่พุทธกยานี่ยเดินไปทางข้าวนั่นแหละเราจะเห็นกุฏิหลังหนึ่งที่หน้ากุฏิมันจะมีหินกลมๆประมาณทักเจ็ดสิบแปดสิบเซนตรงนั้นแล้วก็จะมีพระพุทธบาท รพระุทธบาทดูในนั้นเน่ยแล้วก็ใส่น้ําไว้ด้วยมีดอกไม้ลอยเอาไว้หลวงพ่อก็เลยอ๋อนี่ตรงนี้เองที่เรานิมิตที่เรานิมิดเห็นตรงนี้เองก็เลยจําได้นั่นเองคือเรื่องว่างเรื่องว่างนอกจากว่าได้เห็นพระพุทธบาทแล้ว ก็ยังเห็นความว่างความว่างนั่นน่คือดับตอนแรกก็คือดับตอนที่สองก็คือว่างตอนที่สามก็สงบตอนที่สี่ก็เย็นสงบแล้วมันก็เย็นดับว่างสงบเย็นดับว่างสงบเย็นเอเรื่องสงบแล้วก็พูดกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องพูดฉะนั้นในโอกาสนี้ขอให้โยมทุกท่านนั่งสมาธิจากสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเดินจงกรมทีหลังลองหน่อยได้